Thank you.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 เราก็ดูเลยว่าอ๋อนี่เป็นเพราะความหลงต่ก่อเวลาส่งจดนองนอเนี่เราไม่รู้นะเพราะบางทีเราคิดว่าอันนี้เป็นการทํางานนี่เป็นการนี่เรากําลังทํางานอยู่ไอ้ตัวหลงมันก็มาเดินียนๆนะมันก็เข้ามาช่วยโอกาสตอนที่เราทํางานจดจ่อยอยู่กับงานที่อยู่ข้างหน้าบางทีกําลังอ่านหนังสืออยู่หรือว่ากำลังดูรายงานมันก็แว บ, บออกไป ข้างนอกบางทีดูโทรศัพท์มือถือนะดูข้อความเดี๋ยวมก็หลุดเข้าไปในอารมณ์เกิดความขุม่นโมวขัดเคืองนะในข้อความที่เห็นหรืออาจจะลิงโลดดีใจนะในภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเราก็ม่สังเกตแล้วว่านั่คือความหลงแบบเือมกันนะมันไม่ใช่หลงความคิดแต่มันหลงอารมณ์หรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์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 จนก็จะมีคนมามาพูดมาเตือนอ่ถึงค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาส่วนใหญ่เนะี่ยคนเราเนี่ยจะรู้จาออกจากความหลงนะที่มันแรงๆได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหนึ่งระบายหรือทําตามอารมณ์ไปจนกระทั่งหมด Mac แม็กนะด่าจนหมดแม็กแล้วเนี่ยถึงค่อยรู้ตัวเพราะว่าอารมณ์มันก็ระบายไปหมด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 ของนทหารคนนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณพ่อครับคุณพ่อมารับลูกไม่ใช่หรือครับเท่านี้แหละนะนายทหารคนนั้นซึ่งกาลังโกรธจัดเลยนะได้สติเลยพอได้สตินะความโกรธนันหายเลยนะช ง, งักเลยเท้านี่ช ง, งักเลยรู้ตัวเลยว่ากาลังจะทำอะไรไอ้ตอนนั้นไม่รู้ตัวนะจะไปยิงเขาแล้วยังไม่รู้ตัวเพราะทำไปด้วยอำนาจของความโกรธ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 มันความรู้สึก ข, ของกายนี่นะมันจะไปทักมันจะไปเตือนจิตให้กลับมามีสติพอจิตมีสติขึ้นมารู้ว่าหลงรั่เผลอไปมันกลับมาเลยนี่อันนี้เหตุผลว่าทำไมนถึงใช้วิธีการยกมือถึงใช้วิธีการาเดินจริงๆไม่ยกมือก็ได้พลิกมือไปพลิกมือมาก็ได้หรื อ, อาตามลมหายใจหรือใช้ลมหายใจเป็นตัวช่วยก็ได้แต่ลมหายใจนี่มันเบาไง คนที่ปฏิบัติใหม่ๆกำลังหลงในความคิดเนี่ยให้ลมหายใจมันเบาไม่สามารถจัดสะกิดหรือเรียกจิตให้กลับมามีสติได้แม้กระทั่งการใช้มือเนี่ยหรือว่าเดินเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ยากแต่สังเกตไหมเวลาจิตมันไหลเข้าไปในความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยบางทีไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวไม่รู้สึกวตัว ก, กาลังเดินด้วยซ้า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 พฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นการด่าหรือการตกการต่อยตัวอารมณ์เนี่ยมันจะสัน่นหายผลมานะบางทีก็รู้นะว่าทำแล้วไม่ดีนะเกิดความเสียหายถ้าไปด่าหรือทำร้ายหรือทำลายข้อของแต่มันก็จะมีเหตุผลมารองรับว่านี้ยถึงตายนะนะนะกูก็ไม่ยอมนะต้องจัดการเวลาเศร้าก็เหมือนกันนะมันก็จะมีเหตุผลมารองรับ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 บางทีแค่นั้นไม่พอนะกลับไปโกรธคนที่แนะนําอย่างการศึกลูกแนะนําขอร้องแม่ว่าอย่าไปอย่ไปโกรธกนเลยให้อาภัยก็ไปเถอะเรื่องผ่านไปยี่สิบสามสิบปีแล้วนจะไปโกรธทําไมลูกกลัวแม่นะเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็กลัวแม่ว่าถ้าเกิดตายจะไปอบายนะก็เลยขอร้องแม่ให้อาภัยก็ไปเถอะ